เรื่องเหตุที่ทำให้ฝนแง้งปีนั้นฟ้าฝนไม่ค่อยดีแต่ไม่ถึงกับแง้งนาลุ่มพอได้เกี่ยวนาบกเ้าตายชาวบ้านก็บนต่างๆนานาบางคนถามท่านพระอาจารย์ซื่อๆด้วยความเคารพและกันเองว่าทำไมอัญญาท่านคือหมายถึงเพราะอะไรฝนจึงแง้ง อัญญาท่านเป็นภาษาสกลนครที่ถวายให้เกียรติอย่างสูงแก่พระเทระที่ประชาชนเคารพนับถือมากทั้งจังหวัดจะได้สมญานี้น้อยมากอัญญาท่านตอบผลตกบ่ชอบเมื่อนักปราดเบื่อครองทรรมคนบ่อยามนักบวชเพราะนักบวชลาศิขาวินยัยเมื่อหน้าหากซิมีแหลนั่นได้ยินไหมฟังเอา ไม่อยากให้ฝนแรงก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นสินี่คือคำตอบ